กำลังหนุไลตอนนี้ก็มาพบกับ <c oughs> Maar je kunt mijn dag Dat je is, is, is,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 แล้วก็ข้างหน้าด้านหน้าก็มีอาจารย์สอนนาฏศิลป์และสอนหลัก <c oughs> nu Tora Array. De gekop op haar pak op noten en song. lang mij ons omdat hij een hop had. Kom op dit omdat hij een hop had. Kom op dit kanadakrienmara. Kom op dit omdat hij een hop had. Kom op Nu omdat hij een chom ก็เป็นครูสอนกรรมฐานอาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ Lekanu om te dan, de De แล้วน้องจะชมอะไรตุไลก็บอกว่าด้านหน้าของห้องพักหนูชมหมดแล้วอยากจะเดินร่วยไปทางนี้ขึ้นกว่าจะสุขสถานเธอก็เดินไปประเดี๋ยวหนึ่งก็ไปถึง we hebben een nieuwe maan, een nieuwe maan, een nieuwe maan, een nieuwe het een nieuwe maan, een nieuwe maan, een nieuwe maan, een nieuwe maan, een Je maan, een nieuwe "Ik een het maan, een ik maan, een nieuwe maan, een nieuwe maan, Pika heb een paar jaren, dan een paar jaren, dan een paar jaren, dan een paar Ik een en dan marni, een omen, blij, een tomaten. Aan in marni. hij een term. Piet Piet, iedereen een tam namen. Iedereen een, ik ben een. Ik ben een. Ik ben een. Ik ben een. Ik ben een. Ik ben een. Ik een. Ik ben een. Ook die bij handwijsen. Toen leidt hij naar het huis van de heer. Hij ziet de heer en de heer ziet hem. Hij zegt: "Hoe gaat het met Hij "Wat is is een man een ตุลัยก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์ไม่ถูกหรือรุ่นพี่ก็บอกว่าอาจารย์ได้แล้วก็พี่ก็ชี้ไปดูกระมังอีก Julaiko Tangwa, macham, sotni, machak, najs, ja, machak, najs, ja, ja. Lundbegabogwa, macham, sotni, machak, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, แต่เถิดว่าเมื่อเมื่อปลูกเข้า อุปกรณ์ต่างๆผสมกันเข้าจากกิ่งกับมะขามเจ้าอะไรฟังไปทางมาก็รู้สึกนําหลายๆ แบบอุดมสมบูรณ์พระแกงมากต้มมากจนไรก็ถามบอกกับคุณป้าน้อยก็บอก การให้นี่เป็นทานและก็เป็นธรรมทานด้วยเพราะทุกคนที่เรียนฤาษีต้องปฏิบัติธรรมะได้ <c oughs> <c oughs> จุไลก็บอกว่าถ้าหักวงเงิน บางคนบอกแซ่บอีหลีคือไล่ก็ถอยหลังออกมาถามคุณป้าอยู่คะคำว่าแซ่บๆๆเนี่ยหรือแซ่บอีหลีเนี่ยมันไม่ใช่ศัพท์บ้านเรานะเพราะว่ามันเป็นศัพท์ทาง มาจากในตัวเมืองอุทัยธานีก็มีแล้วก็มาจากอำเภอภายนอกนครราชสีมาชัยภูมิพิษณุโลกพิจบูรณ์ Lekker Phloungthep, Ayutthaya, Van Rayong, Pathumthani. De chaoukaalmeren. Nog een nis min chaoukaalmeren. Dus. Geen wat. Tukken. Jeetje. Niet. Ga. Niet. Niet. Niet. Niet. Niet. Niet. เธอก็บกวานหนูอิ่มแล้วจะค่ะก่อนก็รวมความว่าเธอก็ลาจากโรงอาศรมของอ๋อพรรคแล้วก็จะเดิน นักเรียนชายก็อยู่ฝั่งโน้นก็ 100 คนเสร็จเหมือนกัน 100 คนเสร็จไม่มีใครต้องเสียอะไร ก็รุ่นพี่ทุกคนมาจาก 3 เทอมน้ําท่วมที่ผ่านมา ได้ทราบจากอาจารย์โอ้โหหลวงปู่ต้องจ่าย <c oughs> เมื่อกี้นี้ก็มีนิทานจริงบ้างของจริงบ้างของหลอกบ้างนิทานบ้างของจริงบ้าง ลานฐานต้นโพก็มีก่ออีก หลวงปู่ธงอบก็ไม่ทําอะไร คือท่านท่านปิยะยาวีท่านก็บอกว่าจุลัยหลานรักที่ป้าน้อยๆไกลจริงๆ แต่ว่าปันส่วนแบ่งหน้าที่กันคนละจุด <c oughs> มีคนเยอะเยอะแยะมากมายมีทั้งผู้ niet มีทั้งผู้ชายอยู่กันเป็นกลุ่มๆสําหรับผู้หญิงก็รูปร่างหน้าตาสะสวยคล้ายเด็กรุ่นๆผู้ชาย หนูเห็นได้อย่างว่ามีใครบ้างจุลัยบอกเห็นแล้วเจ้าข้าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครท่านอินทกะท่านบอกว่าท่านถามว่าที่ที่เป็นผู้หญิงผู้ชายหนูรู้จักรู้ไหมบอกรู้เจ้าข้าแต่งตัวไม่เหมือนกัน ความจริงต้นไม้ไม่มีความสําคัญเกินต้นไม้แต่สิ่งที่อยู่กับต้น ลุงเลยเรียกว่าไหนมั้ยให้มันถูกต้องเสียแต่ก็ถามว่าถ้าอย่างงั้นลุงเป็นเทวดาชั้นไหนลุงก็ตอบว่าทั้งหมดที่หลานเห็นนี่เป็นเทวดาชั้นเป็นประเภทอากาศเทวดาแล้วก็เธอก็ถามว่าอากาศเทวดา นี่กลับมีแผ่นดินซ้อนแผ่นดินทั้งบอกว่าแผ่นดินที่เห็นในความจริงนี้เป็นอากาศแต่ทําให้หลานดูว่าอย่างนั้นหลานจะสงสัยความจริงเทวดานางฟ้าหรือพระพรหมก็ดีท่านเดินไปบนแต่ลุงจะพูดย่อยให้ฟังว่าสิ่งที่มีสําคัญตรงนี้นั่นก็คือพระพุทธรูป พระพุทธรูปนี่อยู่ใต้แผ่นดินอยู่ในเป็นดินลงไปลึกลงไปแต่ก็อยู่ใกล้ต้นโพธิ์คืออยู่ด้านหน้าของต้นโพธิ์ที่มีเครื่องสักการะบูชาวางอยู่ตรงนั้นปุ้ยไล่ก็ถามว่าคุณลุงเจ้าคะแล้วหลวงปู่ท่านทราบไหมคุณลุงก็ตอบยิ้มๆ แต่ว่าท่านสั่งนักเรียนกับครูบาอาจารย์ที่นี่เวลาจะผ่านที่นี่ให้แสดงความเคารพและขออภัยพอท่านบอกกับเด็กนักเรียนกับครูว่ามีพระพุทธรูปทอง ก็ปรากฏว่า 4 ศอกเศษ 4 ศอก 7 นิ้วเป็นทอง 90% เศษๆ <c oughs>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 เพราะว่าหลวงปู่มาทําอาคาร แต่ว่าถ้าจะกดหาลุงคิดว่าขุดไป 5 กิโลยังไม่พบขอ <c oughs> <ๆ. S 2> ต้องขอเรียกว่าพระหนีพม่าจะเข้ามาตีกรุงศรีอยาเคลื่อนทัพมาทางนี้ใน หลังนั้นก็ไม่มีอะไรหลังจากนั้นก็ปรากฏภาพคนลุงทําภาพให้ดู ถ้าต่างคนต่างก็กบเมื่อกบแล้วก็นําต้นโพธิ์มาปลูกปลูกต้นโพธิ์ แล้วก็เห็นตาบีหลานเห็นนี้ตุไลก็ถามต่อไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นนอกจากพระอรูปสัตว์ทั้ง ก็เป็นคุณลุงก็บอกว่าเวลาทั้งหลังคุยกันหมดแล้วหลานหลานนําบัญญัติข้าม <c oughs> แล้วก็มองเข้าไปในเห็นห้องน้ําห้องส้ม พาหนูไปครัวหน่อยเพราะว่าบรรดา ต่อมาก็แตกลูกแตกหลานออกมา เจ้าพวกนักไม่ยอมพวกนั้นไม่ยอมฟังพ่อน้อยเห็นนะอย่าไปเรียกอี แต่สายแห่ง ยกเท้าหน้าเจ้าสกิตจุลัยป้าน้อยก็บอกว่าถ้าเห็นฟันขาวๆทั้ง หลานจะไปเที่ยวในครัวป้านาคนําไปด้วยไปด้วยกันนะพูดเท่านั้นเองเธอก็อยากเดินป้านาคก็เดินเคียงข้างไปไปไหนป้า de kan. Het is een soort van kan. Het is een soort van een scheurtje dat kan. Het is een soort van een scheurtje dat kan. Het is een soort kan. Het is een soort van een scheurtje dat kan. na is เพราะเกี่ยวขาวพวกนั้นก็ถอยไปคงความวุ่นวายปลอดภัยพุ่นบรรดาหมู่สนักหลายพวกป้าหน้าช่วยเมื่อเธอชมทุก พระน้อยก็เลยบอกว่านั่นเป็นก็ไม่มีทุนจะเลี้ยงความจริงทางวัดไม่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 กลับไปที่จะขยันหมั่นเพียรจะสวัสดี